ในลักษณะแต่ละอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็มีกรรมเป็นเป็นเครื่องจำแนกให้ว่ากรรมที่ทำให้พระองค์เป็นได้พุทธลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มาจากกรรมคนละอย่างคนละอย่างนะเรียกว่าโรงงานผลิตอะไรน่อยู่คนละแห่งคนละแห่งคนละแห่งคนละชาติคนละภพเลยประมวลการระดมกันมาช่วยเสริมช่วยเติมช่วยแต่งให้มีลักษณะ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 ไ ด, ได้รับคันธนนายจากพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เหมือนกันแต่เป็นอนิยตโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่นอนแต่พอได้รับพุทธพยากรณ์ว่าชายผู้นี้นะฤาษีผู้นี้ดาวบทผู้นี้อีกสีอสงไขยแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าได้รับลัทธพยากรณนะ์คือได้รับทํานายจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า อีกเสียสงไขเศษอีกแสนกัดจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างระยะเวลา เ, ลาเท่านี้ก็เป็นเวลาที่ทรงบำเพญ็ญบารมีเพียรพยายามในการสั่งสมกุศลธรรมทุกอย่างนะไม่เกี่ยงในการเจริญกุศลนั้นทานเนี่ยก็บอกว่าให้มากมายมหาศาลวัตถุเข้าของข้างนอกก็ให้มากมายวัตถุข้างในก็ให้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 รูปร่างกายที่ทรงไว้ด้วยคุณอันนั้นนะความที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็คือนามขันนั่นแหละเป็นเป็นถ้าโดยประมาทิตนะัก็คือนามขันสี่นั่นแหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญุตยานก็คือปัญญาเจตสิกก็คือสังขารขันที่เกิดขึ้นแต่ขันเหล่านี้ก็ต้องอาศัยรูปร่างกายที่ที่สมส่วนว่า ง, งั้นเถอะที่เหมาะสม ที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรและหมูสัตมันก็ต้องมีร่างกายที่ที่เหมาะสมเพราะนั้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจของพระองค์นี้ได้รับการอ บ, บรมขัดเกลวเสริมเติมแต่งใช้เวลาเวลามายาวนานอันเราก็ได้มาฟังดูว่าออลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มาจากปัจจัยมาจากเหตุกรรมชรูปเหล่านั้นเนี่ยมาจากกรรมชนิดใด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 ความรู้ความสามารถที่ไม่มีโทษนั่นแหละเช่นพระองค์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนดีดพินเหมือนกันนะก็สอนแต่เป็นศิละปะที่ไม่มีโทษนั่นแหละก็สอนวิชาการทั่วไปสอนไตรเพศสอนอักษรศาสตร์สอนวิชาทำรรถวิชาตั้งร้ายอย่างพระองค์ก็สอนนะแต่ความรู้เหล่านั้นเป็นวิชาที่ไม่มีโทษเวลาสอนพระองค์ก็ตั้งใจว่าเอ๊ะทำยังไงลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยจะได้จบเร็วๆนั่นแหละจะได้จบเร็วขึ้น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 แล้วเป็นผู้ที่ทรงพระไายปิดกแล้วก็สั่งสอนประชาชนสั่งสอนพระภิกษุในจารณะคือศีลจตุปาริสุทที่ศีลให้ภิกษุบริษัทเป็นต้นได้ศึกษาเล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติทีนี้เวลาท่านสอนเนี่ยท่านก็จะค้นคิดสูตรทำยังไงคนจะเข้าใจง่ายที่สุดอะให้เขาจบเร็วๆแทนที่บางอย่างจะสอนกัน5ปีจบท่านก็เอ๊ะทำยังไงสักปีหนึ่งจบอะไรเงี้ยก็คือพยายามที่จะลดที่สุดนะ เพราะว่าท่านตั้งใจว่าเคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยมาคอยเรียนเนี่ยมันทุกข์องนั้นเถอะบางคนถ้ายิ่งการเรียนแบบบางสมัยต้องนั่งพับเพียบเรียนอเงี้ยนั่งพับเพียบเรียนเนี่ ย, ย, ย, นนยโอ้ยกว่าจะเรียนจบไหมขาเนี่ยถ้าเป็นเน็บชาไม่รู้ยังไงมันก็คิดว่าโอ้การเป็นลูกศิษย์เป็นอันเทวาศิษย์คอยรัางคอยเรียนเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นของหนักมันเป็นทุกข์ฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาจบเร็วๆองค์ก็ตั้งใจอ ย, อย่างนั้นสอนวิชาสอนศิลปะหรือแม้กระทั่งสอน กรร ม, มสกตาญาณเอ๊ะทำยังไงเขาจะเข้าใจเรื่องกรรมชัดขึ้นอะไรขึ้นอนนะไรตถาคตย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสั่งสมพ่อพภูนภัยบุญคือทำ ม, มามากตลอดระยะเวลาสี่อสงไข่เนี่ยด้วยผลของกรรมมันนั้นก็ทําให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาบุริศลักษณะคือ มีพระชงเรียวดังแข้งเนื้อสายนะมีแข้งเรียวไม่รู้งามยังไงนึกภาพไม่ออกเลยเราเคยเห็นแต่คนไ ม, ไม่สมประกอบมาตลอดนะคนที่สมประกอบจริงๆจะ ง, งามขนาดไหนเนะก็ได้จะนัน่งนี่ถ้าเจอพยามานจะให้เนธพุทธเนรมิตรเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้ดูหน่อยน ะ, ะเขาเคยเล่าในตำนานไงพยามานเนรมิตรก้มลงกราบเลย พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคือเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถามว่าจะได้รับอันนี้สองอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วอ่ะเพราะกรรมอันนี้เนี่ยจะได้พาหนะคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์เสนาแห่งพระราชาเป็นเครื่องราชูประโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลังโดยเร็ว นะคือเข้าของเครื่องใช้เนี่ยจะเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างรวดเร็วอย่าง น, นั้นด้วยกรรมประเภทนั้นถ้าพระมหาบุรุษทรงออกผนวชจะได้เป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสเปิดแล้วในโลกเป็นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อา น, นิสงส์พิเศษก็คือจะทรงได้ปัจจัยอันควรแก่สมณะและบริสัทธ์อันเป็นองค์ของสมณะและเครื่องสมณูปโภค ที่สมณะทั้งหลายจะพึงบริโภคไม่ว่าจะเป็นกุติเสนาสนะยุกยารักษาโรคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เหมาะสมแก่สมณะ น, นั้นก็ควรแก่สมณะจะสําเร็จแก่พระองค์ได้โดยเร็วพลันนั่นแหละพระองค์นี่ไม่ยากเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เพียบพร้อมสมบูรณ์หมดถึงเรียว่าเป็นสมณะสุขุมารชาตเลยนะเขาบอกว่าจีวอเนี่ยไม่อยากใช้เนี่ยคนขอร้องให้ใช้ให้ ที่พักเนี่ยคนต้องขอร้องจึงกันไปพักนเนเรียกว่าเป็นสัมณะที่ละเอียดอ่อนสุขุมารชาติเรียกว่าจะไปไหนคนเชิญไปอะนะได้รับเชิญไม่ใช่ขอไปเองไม่ใช่นะเว้นไว้แต่พุทธกิจพิเศษต้องไปโปรดสงเคราะห์ใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าไปเองแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปของผู้ที่ประสงค์บุญทั้งหลายแหลก็จะเชื้อเชิญอาราธนาจะให้พระองค์ได้โดยความเคารพ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 แจกก็ตายเป็นดอกให้ไปอ่านคนละเล่มเลยเร็วไหมเร็วขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้ทำไงดีเนอะท่านทำกุศล น, นะทกุศลกรรมมีความสุขเป็นกำไรนั่นแล้วกุศลเนี่ยก็มีวิบากเป็นสุขกะนะันเนาะย่อมได้พระชงทั้งคู่เป็นที่ชอบใจมีสวดทรงดีกลมกล่อมเป็นสุชาติเร็วไปโดยลำดับมีพระโลมาขึ้นปลายช้อยขึ้นข้างบนนะ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 มารวบรวมอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหมดพระมหาบุรุษเมื่อยังไม่ทรงผนวดก็ได้ลักษณะนั้นในที่นี้เร็วพลังนะข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปถ้าหากว่าคนต้องการที่น่าต้องการของคนทั้งหลายจะได้แก่พระมหาบุรุษนี้ไม่ยากนะักถ้าออกทรงผนวดทรงยินดีด้วยความพอพระทัยในเนคขมมะในการออกจากกามมีพระปรีชาเห็นแจ้งทรงพระวิริยะยอดเยี่ยมนะ วิริยะก็คือความเพียรความองอาจความกล้ากล้าในที่นี้ต้องนึกถึงอะไรกล้าทําอะไรนะกล้าที่จะละบาปละอกุศลกล้าที่จะเจริญกุศลพอกคูนเรื่อยๆนะกล้าที่จะไม่ปล่อยขณะให้มันล่วงเลยไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะกล้าที่เอ๊ะได้ยินเสียงทําไงกุศลจิตจึงจะเกิดได้ยังไงก็ต้องได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมเออทํายังไงกุศลจิตจะเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินนั่งเห็นอยู่แล้เออก็เห็นอยู่แล้วอ่ะ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 เข้าเห็นความจริงอวิชชานี้ปกเปิดห่มหอ่อให้มองไม่เห็นอริยสัจทํำยังไงจริงจะมองเห็นความจริงเหล่านี้ได้นั่นแหละอันพระองค์นี่มีความเพียรพยายามเหล่านี้ถ้าหากว่าเกิดไม่ไม่มีความเพียรเช่นงอยซึมเซอร์อะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็มีวิธีอีกทำยังไงจริงจะ ก, กระตุ้นให้มันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดนะทำยังไงกุศลจิตจริงจะได้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง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 หวังเออท่านจะไปช่วยทํากสิกรรมโค ร, รักกรรมพาณิชกรรมนะช่วยทำไรถ่ายนาคาขายไม่มีสักอย่างช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่มีแต่แล้วเขาเราก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเขาก็ไม่ได้หวังประโยชน์อย่างอื่นเขาหวังเพราะเขาประสงค์บุญเออแล้วเราเนี่ยมีบุญอะไรให้เขาบ้งางพิสุเขาบอกว่าทานที่ให้กับภิกสุที่หรือให้กับคนที่มากไปด้วยการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีนิสง์มาก เออถ้าเราปล่อยจิตให้ไปเป็นไปอย่างนั้นแล้วนีเ่เขาจะได้บุญไหมเนี่ยใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นก็จะทําให้กระตุ้นเตือนที่จะคิดในการเจริญกุศลบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามนี้จะต้องปารกบ่อยๆนะเรียกว่าหาเหตุที่เป็นปัใจจัยให้สรุปสังเวทใจนะสามารถที่จะค้นคิดเอาอะไรมาเป็นเครื่องสังเวทได้บ้างเพราะว่าการสังเวทเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเพียรทําให้เกิดสติปัญญาทําให้ กุศลจิตเนี่ยเป็นไปได้ง่ายอันสังเวจัยก็คือประเภทโอตะปะนั่นแหละทําให้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเพียรพยายามที่จะให้กุศลจิตเกิดขึ้นอย่างเช่นสังเวกับวาทุอย่างหนึ่งก็คือความตายใช่ไหมเออนี่จะตายแล้วเนี่ยมันจะจะทำกุศลอะไรได้บ้างไนี่ยเพรมันก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลยนะอันถ้าคนที่สามารถทําจิตให้ตัวเองเนี่ยตื่นตัวได้ตลอดในการอ่าคิด เพื่อที่จะทํากุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้เนี่ยคนนั้นก็นับว่าเก่งมากเั้นคนนั้นจะเริ่มเรียกว่าปรับอินทรีย์นะจะเริ่มว่าโอ้ช่วงนี้ความเพียรขาดไปเอช่วงนี้เจริญกุศลแต่ทําไมมันแห้งแรงเหลือเกินฝืดเฟืองไม่มีปีติไม่มีความชุ่มฉ่ำใจเลยก็จะปรารถบเออต้องไปศึกษากุศลประเภทนี้บ่อยๆนะคิดถึงพุทธคุณเยอะๆเดี๋ยวจิตใจก็ชุ่มเชิ้นขึ้นมาในการเจริญกุศลก็คือศึกษาวิธีการเจริญกุศลตั้งมากมาย พราะผู้มีพระภาคนั้นสอนอกรรมฐานแก่พระราหุลตั้งหลายอย่างจะสอนให้เจริญเมตตาเพื่อละโทสะสอนให้เจริญอานาปานสติเพื่อตักวิตกสอนให้เจริญมรรนานสติสอนให้เจริญจิตเหมือนกับแผ่นดินให้ทําใจเหมือนกับแผ่นดินเหมือนน้าเหมือนลมเหมือนไฟก็จะได้ละอัสมิมาณนะละอะไรพระองค์ก็สอนกรรมฐานต่างเยอะแยะเพื่อที่จะเป็นอุบายเครื่องมือในการปรับจิต เพาจิตของเราจะให้คิดเรื่องเดียวได้ตลอดเป็นไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ก็เหมือนอาหารเนี่ยถึงมีประโยชน์นะสิ่งที่เราทานได้ตลอดเลยก็คือเม็ดข้าวแต่กับเนี่ยทุกวันดูดิได้ตลอดไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่นั่นแหละแต่ข้าวนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่านั้นแหละแต่กับเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตเนี่ยนะจิตไม่เปลี่ยนจิตมันก็เป็นลักษณะกุศลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตอะแต่เจตสิกเนี่ยเจตสิกแต่ละตัวเนี่ยน้ําหนักไม่เท่ากันนะ จรงอยู่ในโสภณะสาธารณเจตสิกเกิดพร้อมกันทั้งหมดทั้งสิดวงจริงแต่บางครั้งหนักไปด้วยศรัทธานะสัตทินรียมีกําลังมากบางครั้งกุสลจิตอันนั้นเนี่ยเฮเรโอตาปะมีกําลังมากบางครั้งสติมีกําลังมากบางครั้งอโลภาษามีกําลังมากบางครั้งอะโทสะมีกําลังมากบางครั้งตัตธรรมัชตาตามีกําลังมากบางครั้งพวกยุคโคนธรรมเนี่ยเกิดมากมีกําลังมาก นั่นแต่ละขณะ ไ, ไม่เหมือนกันนะกุศลจิตกุศลโดยศัพทเนี่ยเหมือนกันแต่น้ำหนักของกุศลจิตนี่ไม่เท่ากันนั่นแหละบางครั้งเนี่ยเจตสิกในอัญญสัมนาเจตสิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวทนามีกําลังมากอย่างเช่นเวโสมนัตเวทนามันเกิดมากในกุศลนั้นๆเนี่ยแตกต่างกันมากความต่างกันอันนี้เขาเรียกว่ า, าธาตุมันต่างกันเจตสิกเป็นาธาตุไหม เป็นธาตุอะไรเป็นธรรมธาตุนะนั้นธาตุเหล่านี้มีความแตกต่างกันอยู่ในตัวจนกว่าจะปรับ พ, พ่อภูมกุศลนี้นั้นคนที่กุศลจิตเกิดได้บ่อยๆจึงจะเริ่มปรับตัวของกุศลจิตเองจนปรับตัวจนถึงกับว่าสามารถที่จะมองเห็นอริยศาสตร์ได้นะถ้าคนทีอ่อยู่ที่วัดเมื่อก่อนพระเนรหลายองค์เขาดูหนังสือนะบางทีก็ไม่ค่อยรู้หลักการใช้สายตาอะไรเงี้ยนะ อ่านหนังสือไปเดี๋ยวก็ตาเอียงบ้างตาเข้มันางจะไปมีปัญหาเรื่องอะตัดแว่นนั่นแหละกว่าจะเข้ากับตาอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่เมื่อยไม่ลานี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันนะใหม่เลยเนี่ยบางคนเนี่ยกว่าจะใช้แว่นตาเป็นเนี่ยอ่านหนังสือได้อย่างสบายสบายเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะแค่แว่นตาธรรมดานั่นแหละกุสลจิตก็เหมือนกันที่จะไปพิจารณาธรรมะเนี่ยนะก็เหมือนกับแว่นตานั่นแหละต้องมีการปรับตัวพอสมควรแล้วก็มีการปรับตัวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหาเหตุหาปัจจัยที่จะให้ กุทศลจิตเกิดขึ้นอั้นปัจจัยที่ทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นประเภทนี้เรียกว่าส ป, ปายะนัแหละประเภทส ป, ปายะนี้จะเข้ามาแล้เช่นอาศัยสถานที่ก็ช่วยให้กุศลจิตเราเกิดต่อนเนื่องขึ้นนะการอาศัยสถานที่อาศัยบุคคลอาศัยอาหารอาศัยถ้อยคําเจรจานะีอาศัยหลายอย่างปัจจัยของกุศลจิตนะอุปนิสัยตั้งเยอะทีนี้ต่อไปนะว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกัมเนิดก่อนได้เข้าไปหาส ม, มณะหรือพรามณ์แล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรนะกรรมที่อยู่ในฝกใักฝ่ายแห่งกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมมีกี่อย่างนะต้องนึกถึงกายกายกรรมเนาะ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 มีแปดวงก็คือมหากุศลจิตแปดนั่นแหละที่เป็นกายกรรมที่เป็นไปกับกุศลนะกุศลที่เป็นไปทางกายอนในแปดดวงนั้นนะทานทานกุศลเป็นทางกายได้ไหมล่วงมาทางกายยทวานก็ได้เรียกว่ากายกรรมศีลกุศลเป็นกายได้ทางกายได้ไหมได้ภาวนาเป็นทางกายได้ไหมก็ได้อันก็ศึกษาเรื่องว่าเ อ, อกุศลทางกายนี่เป็นยังไงใช่ไหม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 อที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นในขณะที่พูดอ่ะเป็นยังไงนะต้องนึกถึงตอนที่เรียนก่อนต้นๆเนอใช่ไหมพูดยังไงจริงจะเป็นไปกับทานนะพูดอย่างไรจริงจะเป็นไปกับศีลพูดอย่างไรจริงจะเป็นไปกับภาวนาเออในพูดเป็นศีลเนี่ยมีทั้งเป็นคําพูดที่เว้นจากพูดเทสเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดเพอร์เจอ นะเว้นจากพูดคำหยาบคายนะนั้นต้องพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นอันนั้นเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้คำพูดที่เป็นกุศลนี่เป็นวจีกรรมนะพูดยังไงเป็นทานพูดยังไงเป็นศีลพูดอย่างไรเป็นภาวนานั่นแหะถ้าพูดอยากให้ใครอยากพูดเป็นภาวนามัางนะ เอาพระไตรปิฎกไปอ่านเสียงดังๆนั่นแหละคําพูดเป็นไปกับภาวนาเพราะว่าฟังทำแสดงทำเป็นประเภทกุศลประเภทภาวนาใช่ไหมมาอ่านนี่เป็นภาวนานเนี่ยได้บุญประเภทภาวนาแต่ขณะเอาเฉพาะขณะที่จิตเป็นกุศลนะก็อ่านอยู่เหมือนเดิมแหละแต่โทสะเกิดเนี่ก็ไม่ใช่กุศลอีกนั่นแหละใช่ไหมพูดเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจิตไม่เป็นไปกับกุศลก็ไม่ใช่อีกเพราะกุศลต้องเป็นไปกับ สังเกตได้การสังเกตกุศลก็ต้องกุศลเนี่ยจะมีความเบาความอ่อนความคล่องนั่นะแหละแล้วกุศลนี้จะเกิดร่วมกับเวทนาได้2 อ, อย่างคืออุเบกขากับสมนัตนั่นแหละฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่สังเกตสังเกตสภาพจิตมากเลยนะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเกีนะ่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเนี่ยต้องเป็นคนที่สังเกตความคิดบ่อยๆคนที่สังเกตความคิดบ่อยๆ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 ดังนัท่านเป็นคนที่แยกแยะความรู้สึกนึกคิดคอยสอบทานเทียบเคียงอยู่ตลอดเวลานะการพิจารณาเทียบเคียงลักษณะนี้บ่อยๆก็จะเหมือนกับพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคโอวาทกับท่านพระราหุลใช่ไหมโอวาทกับพระราหุลให้ตรวจตรวจสอบกายกรรมตรวจสอบวจีกรรมตรวจสอบมโนกรรมให้ตลอดเลยดนะังนั้นคนที่ตรวจสอบตัวเองมากดังนั้นเราไม่ต้องไป ให้คนอื่นมาคอยตรวจสอบไปทําอะไรมาบ้างวนันนี้แต่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองตลอดดังนั้นการตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมอย่างนี้เป็นเรียกว่าชําระกายชําระวาจาอเป็นศีลใช่ไหมนั่นแหละดังั้นคนที่ชําระกายวาจาได้โอ้กายเราไม่มีโทษคําพูดเราไม่มีโทษคนประเภทนั้นแหละเรียกคนศีลดีแล้วละ่ะนั่นแหละแล้วนึกหายไม่มีข้อตําหนิเลยนะไปพูดให้คนไม่สบายใจแห ม, น, มน่าตําหนิไม่น่าพูดแบบนั้นเลย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 พวกนี้แหละเป็นการชำระวจีกรรมชำระกายกรรมเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าหมู่สัตว์นี้ปกติคดไม่ตรงเขาเรียกว่ากายะทุจริตวจีทุจริตมีมอกอั น, น, นธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเพื่อดักความคดอันนั้นชำระกายกรรมและวจีกรรมเพราะฉะนั้นศียเนี่ยจึงมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏนะมีฮิริโอตปะปาเป็นเหตุใกล้ให้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 ควรเสพเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเนี่ยเป็นอย่างไรควรภาวนาควรปฏิบัติควรพอกูวอะไรควรไม่ควรกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนะทำอะไรที่เป็นไปไม่ได้ประโยชน์ชาตินี้ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหรือกรรมกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขตลอดกาลนานใช่ไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น้าประโยชโน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ที่จริงแล้วมีเยอะนะตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทําสังสมพวกภูนภัยบูณนะคือเข้าไปสอบถามนี่แหละคือไม่ใช่แค่ถามเฉยเฉยนะ ถามแนละ้วเอาไปปฏิบัติจริงๆนะนะไม่ใช่โอ้จะอยากจะได้เหตุอย่างเงี้ยเลยไปถามถาๆซะหน่อยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือต้องเรียกว่าถามเพื่อมุ่งผลในการลักษณะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติครั้นจุติจากสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะก็คือย่อมได้พระมหาปุริสลักษณะคือมีพระเฉ ว, ฉวีคือผิวเนี่ยสุขุมละเอียดเลนะเออถาม ถามเยอะๆนี่เป็นเหตุให้ผิวดีนะไม่เคยคิดแตเออนี่ก็เป็นเหตุแห่งกรรมกันนะแต่ต้องถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะไม่ใช่ว่าถามเรื่อยอยากได้ผิวอย่างงี้ก็เลยถามใหญ่เลยนะจนใครมีใครตอบให้เลยก็แย่มันกันโทรศัพท์ถามแล้วเขาไม่ตอบถ้าโทรศัพท์เกิดเนี่ยชักผิวไม่งามเลยนะครับนี้่เพราะฉะนั้นทําให้พระองค์นี้มีพระชวีเนี่ยสุขุมละเอียด เพราะพระชีวิตสุขุมละเอียดทุลีละอองมิติดพระวรากายได้ผิวดนะีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระษณะนั้นถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะคือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้จะจะได้อันนี้สงพิเศษคือมีปัญญา ม, มาก ไม่มีบรรดากามะโภคีคือชนผู้บริโภคการผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอแปลว่าในแผ่นดินนั้นท่านฉลาดที่สุดฉลาดกับคนทั้งแผ่นดินง น, นั้นเองมีปัญญาประเสริฐกว่าพระ อ, องค์ฉลาดหมดเลยถ้าทรงออกพนวดจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อันนี้สองพิเศษยังไงอีกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ มีพระปรีชามากอ่าปัญญานี่มากมีพระปรีชาที่กว้างขวางอะปัญญากว้างกว้างเหมือนอะไรบอกเหมือนแผ่นดินอะมีปัญญาทําลายกิเลสนะมีปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาว่องไวมีพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระปัญญาทําลายกิเลสไม่มีสรรพสัตว์ผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญญาเสมอพระ อ, องค์ หรือจะมีสัตว์ที่ประเสริฐกว่าพระองค์